ถ้ามันเอามาทำไม่ดีประโยชน์ทิ้งไว้มันก็เกิดการเสียหายเอาไปกินไม่ได้มันเสียแล้วเลยเอามาเทใส่ผักลองี่ข้นกับเกลือไว้มาหมักกัไนกไปนก็กลายเป็นน้ำส้มผักน้ำส้มผักนี่ถ้ามันปนกับผักกับเกลือกับอะไรที่ต่อยตามพงมัญญาของคนเรามันก็เกิดประโยชน์ ด, ดีกว่าลงเหีียว น้ำชาวเข้านี่ขวดนมเปรี้ยวน้ำชาวเข้านี่อันที่มันใสๆมาฝนใส่หักคุดต้นคุดรู้จักต้นคุดไหมพอถ้าหยกพอเปลี่ยนพอผูยย้ใหญ่คุดสวยถ้าว่ารู้จักไปบางอยู่นากรติ่งลงพอนเอาลากมันมาฝนใสกน่กันกินแก่ผิดสำแดงเอาน้ำชาวเข้าของเสฉยๆกลายไม่เป็นประโยชน์ได้เพราะนั้นน้ำชาวเขานี่ เามากินนะดีกว่าน้ำเปรี้ยวนะน้ำเปรี้ยวมันโวร่งนแตกนะถ้าเห็นน้ำซาวเข้ามันกควลาลเนี่ยเอาชดลงใบเลยกินเป็นแก้วๆเลยดีอย่ายิงกินกับข้าวยิ่งแซ่บใหญ่ฮะแต่น้ําส้มผักตัวนี้เขาหน้าใหม่น้ำส้มสายชูเสียงไหนเลยคนขี้เกียจเอาผักซาวซาวกีเกลือจะอร่อยน้ําส้มสายชูมาใส่กินได้เลย เขียเหมือนผักธรรมด า, าคนก็ชอบกันเ้าก็จริงนะไม่ดีเหมืนอนดีใซขึ้นเหมือนคนโบราณครับนีแบบฉบับแบบที่เสียทําให้ดีแบบที่ดีทําให้เสียก็มีละหว่างสามรวมกายว า, จายใจใจนี่มันจะเสียนีมันมีแบบอย่างนี่เราวยังสบายสบายคําสอนเนี่ย ระเบียบที่เรามาใช้เป็นสากลของมนุษย์ทุกคนขาฉ๋งแขนสองเมฆายมีใจมันมีแบบฉบับเนี่ยเราจึงเองเนี่ยไว้อเองทํำมาไว้อย่าออกอย่ดีจากดี้ไปจะเป็นแบบฉบับของเราตั้งแต่เกิดจนตายเอาเรื่องเป็นแบบฉบับไปถึงมรรคถึงผลตลอดไปเลยสิ้นภพสิ้นชาติ เป็นชาติสุดท้ายอันที่ไม่ต้องมีภรรยาอีกแล้วถ้ายังมีภรรยายังไม่มีแบบยังไม่เข้าฉบับยังไม่เป็นชาติสุดท้ายยังจ ะ, จะเบื่อเบยท่องเที่ยวไปวัฏจัก ร, ตรสารมากมายยาวไกลเหลือเกินในแผ่นดินนี้มีหลงฝังศพของสัตว์ทั้งหลายเต็ไมไปหมดเลยมันเบียนว่างตายเกิดอันนี้ถ้าผิดแบบมันไปไกลเหลือเกินน่ะไปไกล ถ้ามีดแบบก็ไปไก่มีลูกมีเมียมีบ้านมีช่องไม่ได้อยู่นะถ้าผิดแบบไปอยู่ไหนไปอยู่ในคุกในตลางถูกจำเราจองจำคุกตลางก็ไม่ใช่บ้านนะหลวงพ่อเคยไปเห็นเคยไปเทศอบรมรักโทษจำัยก่อนเดินสายเพราะเพราะมันกำลังร่อนวิชาจำัยก่อนร่อนวิชาร่อนวิชากรรมาฐานอยู่่ได้ต้องไปสอนคน เห็ไข่ก็สอนเท็ไข่ก็สอนมาสอนแม่เลยอ้ยแม่ไปอยู่ป่าชาพ้านเราอยู่วัดเนี่ไม่เหมาะพระร้องเ พ, งพลงพระดอกปอพระเรียกไก่พระเทศเแหล่เท้เสียงไม่น่าอยู่พระเซลไปอยู่ปา่าช้าเอาแม่ไปอยู่ปา่าช้าอ่าอยากสอนแม่เอา้าหัวแม่จะหัวเอาไปอยู่ยังไงปา่าช้า แม่ใหญ่บวขาดหรือยันยันไม่เคยไปนอนบาษาไปนอนจังไดโอ้จะไปกลัวอะไรลนะ่ะถ้าจะให้ไปอีีกะหาโมจากคนสองคนแดงเอาผูงยายสมชีพูเด้งเอาคู่ก็ไม่พูเด้งเอาแม่ยา่พันแม่หลวงพ่อจอยพูเดึงเด้อไปช่วงบันนะช่วง น, นอนนอนกูม่จะกูกูแม่จะกว ก็เลยเอาอแม่นอนนี่นะเราก็เอากดไปกลางไว้ยข้างๆแม่แล้วก็เดินจังกองข้ามาอาแม่นอนนอนขําแล้วได้เวลานอนแล้วต่างงงให้แล้วก็นอนถ้า แ, แม่นอนไม่หลับก็ไม่หนีกลัวมแม่อยากเตี่ยวกลัวก็เดินจังกองพอเดินจกัอนจกองฟังเสียงแม่ถ้าหลับเลี้ยงน้อง ใครยืนเัยจะหายใจก็กโอ้อยแรง่าแ ม, ม่เราหลับแล้วเราก็หลบไปนอนอ่ะอันนี้อ่ะเอาทุกวิธีที่จะสอนให้คนเข้าถึงนำมาได้แม่ก็เข้าใจธรรมะมามันรอนวิชาสมัยก่อนไปสอนนักโทษในเรือนจำอุดรเขาโอกรเหล็กขังเทปืนแบบพูดี้เป็นปูนมีตากแดดตลอดวัน ลูกโูกงแหลกเท่าเนี่ยขังเลยแต่ถูกโอ้ยไหลสอมนั่งจะนั่งทำาเรานั่งหดหดหอนแม่เพี้ยนมันตำตำๆ จ, จ้านางจกลียวเวดานั่งหดตะจอ้อน้องก็ น, นอนนอนกน็นอนกับพุ่มปูนซีเมนต์ลอนลอนะผ้าผ่อนเขาไม่ให้ให้นุกก่งกางเกงสายรูดให้เสือ้อปา โ, โรคอกรวมมาเย่โปรโป ร, โป ร, โป ร, โปร แขนจนๆวางงก็ตกไหลเลย่ยคอเลยตกไหลเขาใช่ใช่เห็นว่ายจากข้อกลมค้นโบราณเอาฝายฝาเย็บให้ลูกใอยหลวงพ่อเคยนุ่งนะจำไม่กอ่อนแม่เย็บให้พอ่พเ อ, อเองเย็บเอเองนุ่ง ม, มาก็ตกไหลเลื่ยรวมเอยได้ารงแดดทอดคอคออยู่อ๋าคอต้มไงมาอย่า น, นี้นักโทษเดิยนยังมีหลังคามีบ้านมีที่มองอุง อาลักโทษคนนี้ทำไมไมาอยู่เนี่ยนะก็ไปถามผู้คุมนักโทษก็ว่าเป็นนักโทษดุร้ายเอาไว้กระโม่อะไรข้าตีทํำลายคนเอามาทรม า, านที่ให้มันตายอยู่นี่นทําไมจึงเป็นอย่างนั้นคนขาสองแขนสองมือนเราโอยเพราะเป็นคนผิดแบบจริงๆอ่ะเป็นโทษจริงๆอ่ะถ้าผิดแบบลงไปล่ะผิดจริงลงไปดูเจ ออกนอกข้ อ, อเราหนูมันก็มีโทษเจอตัวเองจริงไหมเรื่องนี้มีไหมเรือนจำในประเทศไทยหรอมีไหมตัวบทกฎหมายมีไหมเพื่ออะไรก็เพื่อคนผิดแบบแล้วเรามีแบบเียแล้วเอาอยู่ท่าไหนล่ะอิสราภาพพิตภราพามสมควรไหมที่เราจะต้องมาอยู่ในแบบของกเรา อใอยู่ในแบบของพเราแบบไม่ใช่อยู่ที่สุกโตอยู่กับกายว่าใจของเรากายว่าใจเขาของเรานี่เป็นแบบมีสีเป็นแบบเอาลงไปเข้าแบบเข้ากอบลงไปหล่อตัวเองล้อมตัวเองมันจะอยู่ด้วยความประสุสีเลนะสุกดึงยันตีนี่ความฉุกเลยใจคิดอย่างใดจะทำอย่างใดจะพูดอย่างใดโว้ยสุดจุตทีรทำปดป่ดปองผ่อ ง, องใส สบายเลยกลางคืนก็สบายกลางวันก็สบายอยู่ป่า ก, ก็สบายอยู่บ้านก็สบายอยู่วัดก็สบายอยู่ที่ลูกที่รอนอยู่บนรถเมย์อยู่ที่ทํางานอยู่ที่ไหนก็สบายมีความผาสุกสีเหลงสนะุกกระดิ่งนตินี่เรายังขอประกาศคําสอนของพระพุทธเจ้าของภาษาศาสนาของเราเอาเป็นอาชีพเอาเป็นอหน้าที่เรื่องนี้กัน มีเพื่อนมีเม็ดนักบวชหลายลูกอ่าเนี่ยเรามีแบบอย่างนี้เราก็พอใจเราไม่ความสฉ่ใจได้บอกได้สอนได้ทากุนามความดีเป็นนาณาสงฆ์ทุกวันทุกวันทุกหลงหมายใจแม่จะตายหลวงพ่อจะตายไปจะตายไปจริงๆนะตายไปแล้วจริงๆไงเราก็มีแบบวา่าโอ้ยคนคนไข้ที่ว่าเป็นทุกข์มันไม่เห็นทุกข์ตรงไหนคนปวด ข้อเนื้อแต บ, บ่อนปวดท้องเอมันไม่เห็นทุกตรงไหนเพราะอะไรเพราะเราไม่แบบกายแบบใจก็วางไว้ถูกต้องแล้วถ้าคนไม่มีแบบอะอะไรโอ้ปวดท้องโอ้ตายตายคางร้ อ, อ, อ, อ, อ, อ ง, องอก็มีมัม้ยเกิดเป็นทุกข์มีไหมเจ็บเป็นทุกข์มีไหมตายเป็นทุกข์มีไหมนี่เหมือนกันนะทำไมเพราะไม่เข้าแบบ ไม่หัดตัวเองไม่เปลือตัวเองไงเนี่ยเราจะไปยู่ตรงไหนกันนะ่ะมันมีมานี่มานี่นล้วหลวงพ่อเทียนเทศออกอนัง่งเฉดลั่นหนึ่งมาทางนี้มาทางนี้เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเราก็อ่านดูอ่านเรหน้าปกเขียนไว้เลยมาทางนี้หลวงพ่อเทียนกิตติโชพมีหนังสือมีคําสอนเอามาอ่าน โอ้ยก็มาทางนี่รู้ทางแล้วบันรู้ทางแล้วไม่เข้ารกเข้าพงะ แ, แต่ก่อนเราเข้ารกเข้าพงพอหลงเข เ, เทียนเราอ่ะมาทางนี่เหลนโอ้ยไม่เห็นทางเห็นทางพระเจ้าแสดงธรรมเทศนากันแรกก็เทศเรื่องทางที่ถูกที่ผิดทางผ่านทางตัน ทางสุดตรงไปไม่ถูกก็คืนนี่หลวงพอ่อมาจากหินคงพอดอกไปหมดส่องไปมาเดินมาเอา้าทางมาไปนี่นะก็ะเดินหน่อยโน่นไปออกหนาว่าเราจะมามาหอใจมาไม่ถูกเลยเดินเเอา้าเจ้าของวัดก็หลงวัดตัวเองนะ <laughs> ก็ร้องจางอลยทำไมไมันจึงไ ป, ปทางโน้นหระมันสะอาดเป็นโล่งมันคนเดินมากแต่มันไม่ถูกตรงนี้เราจะมาตรงเนี้ยแต่มันไปไม่ถูกไปโน้นไม่สบายกว่าเดินนะคนที่ไปตามความคิดพอใจที่จะทุกข์มีต้องทนทุกข์ดิมีเหมือนกันนะพอใจที่จะโกดมี พอใจที่ชังมีพอใจที่รักมีเอาอารมณ์มาตัดสินตามอารมณ์ของตอนแองแบ่งเป็นการสุดตรงไปไม่ถึงไปไม่ถูกเสียหายเพราะควา ม, มพอใ จ, มใจของตนกูได้ด่ามันกูพอใจกูได้ฆ่ามันกูโคตพอใจกูได้รักถ้กไูได้ขโมยกูโคตพอใจกูได้กลมขืนกูได้เล่าผิดสามีปัญญาคนหนึง่งกูโคตพอใจ บางคนเอาเป็นเดิมเหมนเป็นเดิมเหมือนเป็นหน้าที่เป็นนิสัยไปเลยชอบเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเขาก็พอใจแบบนั้นไม่ยินดีในบุตรสางีปัญญาของตนไม่หวงเห็นไม่เห็นโลเคียนใจเอาอารมณ์ของตัวตัดสินทําตามอารมณ์ของตนเลยเสียหายเยอะในบ้านเรืมางเราไม่นมปนัญหาพวกคนอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังอพูดเรื่องทางทางตันไปไมถูกวัน เราเดินขึ้นเขาสวยก่อนเฮ้ยน่าเล่าให้ฟังไห้ให้เราเจ้าจหน่อยดีไหมพ่อผู้ใหญ่ไว้เกือบสี่สิบปีมาแล้วเดินมาเขาเดียเดินขึ้นเขาสมัยก่อนเนี่ยมาจากกรุงเทพมาลงแจ้งข้อข้าแล้วจะขึ้นเขาจะมาหาหลวงพ่อบุญธรรมหลวงพ่อบุญธรรมอยู่นี่ปีห้ารอยสิบสอง พ่อจะพาเจา้าของเทมาลงรถเคร่งคอเดินขึ้นเขาพอเดินออกอยากกลองจากรถฝนตกก็พ่อจะมานอนทุ่งนาตามกระทบทุ่งนาจะนอนในเบื้องเนี่ไม่อยากอยู่วัดก็มีแต่ไม่อยากนอนจะมานอนกระทบทุ่งนากลางคืนลอบไปนอนอยู่แล้วก็เตือนเช่าแต่เช่าจะเดินขึ้นเขาพอลงจากรถแล้ว อ่าฝนตกปั๊มปัเอ้าเปียกล้มมันเลยเขาเดินแขีงฝนมาเปียกอไม่เป็นไรเปียกได้เดี๋ยวมันก็หายมันก็หยุดลงฝนอ่ะมันไม่หยุดเลยฝนอ่ะปั๊มปเอ้าเปียกเข้าจริงๆเปียกเข้าจริงๆําไม่อะไรเนี่ยจะนอนเหรอโอ๊ยไม่ต้องนอนห้นอมหลับนะเตือนไปนี่แหละ <c oughs> แต่ก่อนทางจากแจงข้อมาพวกคุงเนี่ยมันไ ม, เนมนเ่เปินทางลูกหลังมันทกวันเลยเป็นทางล่อทางียน มีน้าขังมีโคลนมีตมบางทีต้องไต่ขนาไปถ้าไต่ขนาเนี่ยไม่เป็นทางไม่มีรั่วสองข้างมันมีนิมิตให้เราเห็นเพราะมันมืดแล้วป่าเลี่ยมเปิบเปิบเดินมารุยขี้โคนมามากตอนที่มาเดินขึ้นเขาเนี่ยแต่ก่อนมันไม่เป็นทางเท่ า, หาไหร่มทางพอหลระเท่าเอาข า, ป, าป่าเพกอะไร บางทีเราไม่ดูตรงเง็ดเราดูท่องว่าเอาขาเตะไปต่ อ, ต อ, อามาขึ้นหน้าผาเนี่ยก็เห็นไหมไม่เป็นทางนะเอพอขึ้นไปก็ดูท่องว่าไม่นช่องเดินไปเจอหน้าผาเอาคำหาไปไห น, นเนาะไม่มีต่างกลับตรงไปอ้าวไปอีกเดินทุกข์ไหมเนี่ยเค <laughs> โอ้การเคยเนาะ ฝนตกก่อนขึ้นเขาเนี่ยมีช้างนะถูกไหมฮะมีเสือด้วยมีงูมีพิษอันตรายเยอะแยะเราไม่คิดว่าใจของเราเนี่ยเฮ้ยช้างก็ไม่ทําลายเราดอกเฮยเสือคงไม่ทําลายเรา โ, โอ้ ย, ออ ง, ย, อยงูคงไม่กัดเรามันคิดแบบนี่ยไม่มีอะไรเป็นศัตูของเราเราจะเดินขึ้นเขาสนุกสนานอยู่เนี่ยตลอดคืนเลยก็ได้ นะําบากไหมเคยไหนะแล้วจะเอาเนี่ยมาเป็นเครื่องที่เราสนกสนานกันเดินขึ้นไปตันเลยทางก็นหน้าผาขึ้นมาไอยลงมาอีกมาเดินขึ้นมาอีกอ่ะไปไมาขึ้นมาได้จริงจรนาะขึ้นมาก็เคยมาแล้วก็รู้จักร่งหัดบ้างเออพอขึ้นมามาเจอศาลเจ้า โอ้ใช่แล้วก็อค่อยเต่อมาเต่ะมาต่ะมาต่ะมามาถึงวันกดงงเลยไก่ขันนาะแกก็แกกะสว่านก็อค่อยเดินมากลัวหมาหเห่าก็อค่อยเดินนะมามาได้มาถึงสุกโตเนี่ยผมไปถึงสุกโตนาทีสี่สทีห้ 4, 5, าต้งแต่หกโมงเย็นมาถึงนี่เต่าลุ่มเลยแม่เพียนสะดวกไหม สนุกป้ะสนุกสนุกจริงๆเฮ้ยมันยังคงใจตัวเองอยู่ตัวยเอเอน่าจะทุกทําไมไม่ทุกหนอเนี่ยเพราะเรามีแบบมนแบบจิตใจของเราไม่ทุกข์จริงๆใจเนี่ยฮนะแม่กายมันจะลําบากเดยนะอ่าอ่าก็เข้ากาติมาดูกติไม่มีคนเดินมาจาราไก่ก็ไม่มีคนไปหากติจะว่าไปนอนพักกัหน่อยก็ไม่มีคน ไม่มีใครอยู่เราลองไปนอนด้วยหลังหนึ่งอยู่แถวแถ ว, แถวเบอร์แปดทวนเนี่ยมีแผน่นกระดานไม่ตีกสอสามแผน่นมีย้าแหกมุงไว้เออนี่แหละเหมาะที่จุดนอนนี่แหละอ่อนแป๊บเด๋วตื่นมาไม่มีใครเลยรบันทำไมนะาะพระหลวงพ่อมันทําก็มาอยู่ใครก็มาอยู่เงียบจริงจริงเออนอนพักผ่อนมันกลางคืนคไม่ได้นอนเลย อันนี้มันตันนะพูดถึงทางนะมันตันไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สอนเราอย่าไปทางตันไปทางเส้ตรงไปไม่ถูกไปทางผ่านเนี่ยถูกเลยผ่านไหนผ่านเราจะไปกรุงเทพผ่านใจโพมผ่านใจตุฬาผ่านน้องบโคกผ่านด่านคขนต้นผ่านถีเขี้ยวผ่านปากช่องผ่านม่วกเหล็กผ่านทับกวางผ่านชุ่ม โถึงกรุงเทพเลยมันผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้ไปพระพุทธเจ้าพูดเรื่องทางเลย่อนผ่านจากบาปผ่านจากอกุศลผ่านจากความทุกข์ผ่านจากความหลงเราผ่านไหมเวลาเราอยู่นี่ผ่านอะไรบ้างผ่านความหลงมีไหมความหลงอ่ะมีทำให้เราผ่านได้ไหมหรือเอามันตันไปแค่ไหมแค่ความหลงไหมถ้าหลงแบบสนุกดีสนุกคิดหมกมุ่นคุณคิดไป มันไปไปถึงไหนล่ะมันไม่ผ่านความหลงก็อยู่กับเราตลอดปีตลอดพบตลอดชาดความทุกข์ก็อยู่กับเราตลอดชาติเลยความโกรธก็อยู่กับเราตลอดพบตลอดชาติมักกนไม่ผ่านมันไม่ผ่านไม้ทางไม่ผ่านพระพุทธเจ้ายังบอกว่าว ส, ส, สัมมาทิฐิสัมมากรรมันตะสมาทิฏฐิคืออะไรเห็นชอบเห็นผิดเป็นผิดสิ่งไหเป็นทุกข์เช่งไหนหลงไม่ใช่ เรียนหนังสือไหมไม่ได้ผ่านหนังสือความหลงเกิดขึ้นแล้วอา้าวเปลี่ยนมาเป็นความรู้ผ่านแล้วสัมมาทิฏฐิแล้วสัามาทิฏฐิแล้วไม่อ่า น, นหนังสือเลยสัมมาทิฏฐิอยู่ที่ไหนอยู่ที่สัมผัสดูความหลงกับความรู้อะไรบนถูกต้องความทุกข์กับความไม่ทุกข์อะไรบนถูกต้องความโกรธกับความไม่โกรธอะไรมันถูกต้องผ่านตรงนี้เนี่ยเราผ่านไหม ถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็เวียนว่ายตายเกิดโขนนะโกดีครับอะไรชี้หน่อยนะทุกแล้วทุกเอกฮะมีตกังวลสมองเรื่องเก่าเอามาลงโทษตัวเองอยู่มันไม่ผ่านท่นพระเจ้าสอนเรื่องผ่านเอาไว้หลังไปกรุงเทพเอาเฉ้ผมไว้หลังเอาจตุรัสไปหลังเอาสองโบโคกไว้หลังเอ้า ใส่ทรดไว้หลังเอาสีเชื่อไว้หลังเอาปากช่องไว้หลังเอาหมวกเอาวันหมวกเดล็กไว้หลังเอาทับกวงไว้หลังเอาแจงคอยไว้หลังเอาสระบุรีไว้หลังเข้ากรุงเทพย้อยสบายเลยผ่านเลยเพราะอะไรอ่ะเอ้าเราผ่านแล้วผ่านสระบุรีแล้วบางทีเดินทางเนี่ยเราก็หลับหลับเพี้ยไปอ่าพรเรีนตากันถึงไหนแล้วเนี่ย ผานจารบุรีอ๋อมันมาปัณนี่เลยคือปิ๊บทีเดียวเย็บทีเดียวเลยมันผ่านไปบ่านไปผ่นไปแ้วก็มีหวังนลยเอียงไปเขียงไปเห็นอ่าถ้าไปเคยเห็นสว่างสว่างสวยเหมือนแสงเงินแสงทองขึ้นอันนั่นเป็นกรุงเทพแป๊บเดียวเข้าเถียงเดียแล้วนี่มันผ่านมันเอาไว้หลังเอาไว้หลังเอาไว้หลังให้ได้ความหลงเอาไว้หลังความทุกข์ความวิตกกังวลความโกรธเอาไว้หลังเอาไว้หลัง เรียกว่าสัมมาเทศิสัมมาคมมันตะสัมมาคิดถูกพูดถูกทําถูกนี่เลยว่ามัชฉิมปฏิปตาเอาไว้หลังอย่าให้มันตันหน้าเราผ่านตรงนี้เราทําไมเรามีความรู้เนี่ยความรู้จากตัวเป็นการเดินทางความรู้จากตัวเป็นการเดินไปไปไหนไปจากอะไรจึงมาเดินตรงนี้ไปจากความทุก ไปไหนไปโูวความหลุดพ้นหนัความทุกข์หลุดพ้นหนกความโกรธหลุดพ้นหนกความโลกหลุดพ้นหนกความหลงไปตรงนั้นพ้นไปพ้นไปหรือว่าวิบุตรวิมุตต์คือหลุดพ้นพ้นจากบาปพ้นจากอกุศลเป็นทางของเราที่เดินแบบจดหมายผ่านทางของเราคือวิบุตรหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆจากไปต่างๆพระพุทธเจ้าบอกเราอ่ะ ศาสนาของเราไม่ใช่ลาบจักระเสียงเฉิเนเย็นยอไม่ใช่ลัทธินิกายเป็นมิมุติความหลุดพ้นต่างหากแม่แต่พวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่เพื่อลาบจักรล ะ, ระดใดๆไม่ใช่ต้องการเฉียงเฉินเฉิเเนเย็นย่อ ไม่ใช่เพื่อบ่งมิตรปกป้องบริวารไม่ใช่เป็นเจ้าลัทธิเพื่อเป็นใหญ่ในบริวารทั้งหลายไม่ใช่แบบนั้นเพื่ออะไรเพื่อวิบวัตความหลุดพ้นต่างหากนี่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าอยายุไม้ปลายทางเขาคือพน้นพ้นจาก ปัญหาปายจากภัต่างๆเป็นจุดหมายแปต่างของพวกเราแต่ว่าก็มีการกระทาที่เพื่อการหลุดพ้นเยอะแยะไปเลยต้องสร้างวาดัดสร้างวาสร้างกติสร้างที่อยู่มีความสะดวกในการหลุดพ้นพอสมควรมีวิธีกรรมที่เรามาหามาเพื่อความหลุดพ้นทำวัตรเช่าทำรเยนตแต่ชนาสั่งสอนกันมีรูปแบบมีวิธีกรรมต่างๆ ให้เกิดความสะดวกแข่การหลุดพ้นอย่าให้มันเกิดความสะดวกแก่การเกิดทุกข์เกิดโทษล้วก็ลงทุนลงแรงเงาสร้างกติสร้างศาลาสร้างเจตนะนาทมาไปเรื่อยๆนะหลวงพ่ อ, อวพวก็ยังไม่ยังไม่สิ้นสุดหัวใจดที่ตั้งไปทานไว้หนึ่งละอพูดไปแล่าขึาน้นหนึ่งจะต้องช่วยเด็กสร้าง ผนเด็กขึ้นมนาตั้งแต่ปีห <20. S 1> ้ารอยยี่สิบว่าจะช่วยคนแก่อีกว่าจะสร้างบ้านให้คนแก่กสักแปดสิบหลังยังไม่ได้ใจหลังเลยแต่ว่ามันก็ได้แล้วแปดสิบหลังอ่ะเครื่องปลูสร้างที่ไหนแปดสิบหลังแล้วนว่าผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่นับดูดิเดี๋ยวเราแปดสิบหลังห้องหน้ามีร้อยยี่สิบสามสิบห้อง เพื่ออะไรเพื่อสะดวกในการหลุดพ้นของพวกเราทําไปเรื่อยๆก็มีคนมาช่วยอันนี้ก็บ้านใหม่พ่อทายกจองพ่อเนี่ยพ่ อ, พอผู้ใหญ่มาช่วยยินเหล้ยวยินแรงเป็นเงินบนทองมาเพื่อความสะดวกของพวกเราอาณิสง์ของท่านเหล่านี้มาสร้างขึ้นมาก็ยังมีอาณิสง์ได้ใช้ได้อยู่ตั้งแต่ปีห้าร้อยยี่สิบสองยิบสาม เราหลังนี้มันก็ใช่ได้อยู่หลายคนที่มาทําไม่บา้านมีกติมีต่างๆใช่อยู่แม้แต่เงินมาทําบุญตามพิธีกรรต่างเงนินทอดกระถิ่นก็ใช่หมดแล้วเดี๋ยวนี่ยใช่ไหมตั้งแต่เขาบวชสามานี่ต่อเติมสาราสร้างกติหลังนี้สร้างกติหลังโน้นสร้างกระติหลังอีกสองหลังอย่งังไงหมดไปแล้วแต่ว่างเงินกรถิ่งไปไหน มันใช่ไปแล้วใช่ไปแล้วใช่ไปแล้วใช่ไปใช่ไปไม่เอาไปฝากทางการเงินมัด่าสุกโตมีเท่าไหร่เงินสงไม่เท่าไหร่ไม่มีมีเท่าไหร่ใช้ไปไหมใครเป็นเงินใช้ให้อาจารย์วโรเทพยอาจารย์ตุม้มเป็นเงินใช้ไม่มีเงินเอา้าเป็นนี่ไว้บางทีอาจารย์ตุ้มไปเอาเงินมาจากญาติพี่น้องมาใช้ไปก่อนแล้วก็ใช้ไใช้ไปเพราะนั้นเนี่ยทำดพวกเราปีกายนี่อุ้ัติภยัยอุทกกาภัย น้ำท่วมภูฟังจะฟังไปหมดต้นไม้ร่มในืนาดไปหมดไปขออบตปรึกษาอบตอบตพอมีเงินมามส้มเสาะน้ำไม่น้ำท่วมไหนอ่าไม่มีหรอกเฮ้ยทำไงแบบเราอาจารย์ตุ้มอาเาเงินนาทร ม, มาส้มส้มกันครูฝ่ายลดหินเป็นล้อยๆร้อยลดขนมาผมตกแต่งให้ดี ซ่อมลงอาหารแต่ก่อนน้ำท่วมใช่ไหมคีน้อยเวลาฝนตกใกล้ชีนี่็นนี่วุ่นวายกันเลยนะยกเข้ายกของปั้นน้าก็ท่วมไปหมดเข้าสารเสียเท่าไหร่หนังสือทรรมวัดรเสี ย, เ, ยเป็นร้อยพิมพ์มใหม่ๆอ่นะพิส่ละท่วมไปว่าอาจารย์ทุ่มหาเงินมาซ่อมซ่อมสายสองแสนสามแสนจ้างรถมาอยู่นี่เป็นเดือนๆรุนแรโกเขาชั่วโมงละสองพันบาท ก็วันหนึ่งได้เป็นหนึ่งสองมืนบาทสามหมืนบาทอาจารย์ตุ้มหาเงินมา <c oughs> ใช่เขาเราไม่รู้เลยอใช่เขาไปอา้าวมันเป็นประโยชน์ก็ทําไปแล้วแท่งน้ำเนี่ยอาจารย์ตุ้มทําคนเดียวเนะ่ยเป็นน้อยแทง่งแท่งใหญนะ่แน่อ้าวหลวงพ่อก็ว่าเอาพอแล้วอย่าไปทําได้มันหมดเงินมาทองมันก็มีประโยชน์หลวงพ่อมั้งท่านก็ทำของใช่อย่างนเงินส่วนตัวไปเลย แล้วก็ก็เป็นผู้รับช่วงในยุคแกจาย์ทรงศิลป์นัจจันตุ่มมันก็ดีขึ้นนี่เราเพื่อความสะดวกของพวกเราเพื่อความพาจุก ข, ของพวกเราเป็นประโยชน์เพราะเรายังเทกระปุกตรงนี้บ้างเพื่อให้เป็นประโยชน์บ้านคนฉลาแปดสิบหลักเนี่ยคงไม่เจ็บอายุเจ็ดสิบปัวปีแล้วไม่เสจนะ็บหรอกทำไม่ได้แปดสิบหลังงานก็ได้แปดสิบหลังอันนี้ก็บอก อเจอเนี่ยให้เกิดความสะดวกที่ใช้ได้เพื่อเดินทางไปสูกวิรุษความหลุดพน้นมานี่มาเพื่อความหลุดพน้นเอาอะไรมาด้วยเอาความรักความยั่งหลุดพน้นช้าเอาความปวดความทุกข์ความวิตกกัวงวลเจ้หมองให้หลุดพน้นเอาปฏิพลดังวลห่วงโน่นหวงนี่น ห, นน ห, นนหลุดพ้นออกมาพ้นแค่ช่างสวบัดหนูเชื่องูแลบลิ้นก็ได้อย่าไปคิด เป็นนักบวชอย่าไปชิดการบ้านพวกเราเป็นนักบวชไม่ชี้จำนียพระทรงเจ้าอย่าไปชิดเรื่องบ้านเรื่องเมืองไม่ชิดบางทีก็ไปชิดโอ้นาดีลูกสาวคนนั้นงามลูกชายคนนี้นงามเราชอบอย่าไปชิดแบบ น, นั้นคิดถึงพระพุทธเจ้าน้นพรุทธเจ้าคือใครคิดถึงถ้าเป็นอุบาสิกาก็คิดถึงอ่าใครล่ะ อุบลมรรณาชิดถึงหมหาประชาบดีพิกุลน่คนแรกในโลกประชาบดีเนี่ยเป็นแม่หน้าของพระพุทธเจ้าเป็นแม่ของพานน์เป็นแม่ของของอะ้รพระนางพิกุเนี่ยชื่ออะไร เป็นคนสวยที่สุดสวยที่สุดเลยไม่แต่พ่อนอนก็นสวยเอา้าไม่โฉลกผิดแล้วไม่ใช่เลอ น, นะนั่นจํมานะนั่นน่ะเอามาเป็นแบบอย่างเลยคนดีฝ่ายบาซิกาคนดีฝ่ายวาสุพเพศชายเพศจริงนี่แต่คนดีเอามาคิดดังนั้นอย่ามาคิดเรื่องโจนตัวโจนตัวอยู่ในคงครอบ อย่าไว้คิดเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดดีมันไปไม่ได้ถูกขังการเวลาขังเราแต่นี่การเวลาอามาเป็นประโยชน์การเวลากับขังเราเมือนกับการเวลามันถามเราว่าเกิดมางทำไมตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ถูกยักใหญ่เอาสมเหล็กมาขังไว้ถ้าตอบไม่ได้ถ้าตอบได้เกิดมาเพื่อความหลุดพ้น ส่งเลยก็เปิดดอกไปเถอะไปไปเป็นยักษ์ยักษ์ใหญ่ยินเราอยู่เน้มีเขี้ยวสองเขี้ยวมีตาสองตามีอะไรล่ะนะไม่ใช่ล <c oughs> ่ะเขี้ยวสองเขี้ยวมีตาสองตาตาเป็นข้างตาหนึ่งเลื่อนขึ้นข้างบนตาหนึ่งเลื่อนลงข้างล่าง ปากค่อยกินนับกินจับประจริงหลายนะหมายถึงการเวลามีฟันสามรอบอะไรอันนี้นนนนเขาสมมติพูดกันเดือนเดือนข้างขึ้นาตามันขึ้นไปเดือนข้างแรมลงมาตามมาเขี้ยวสองเขี้ยวคือวันนี้หมดไปแล้วมันกินเราไปแล้วงั้น่าไปเที่กินไปแล้วกินจับประจัต กินทุกสิ่งทุกอย่างการเวลามันกินไปแล้วยักกันไงมันกินเราไปแล้วหมดไปแล้วเขาก็หมดไปไม่ใช่หมดวันหมดเดือนนัไปเอาชีวิตเราไปด้วยหมดไปหมดไปหมดใช่้เถอะมันกินแล้วตอบให้ได้ฮะตอบให้ได้ถ้าเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อความหลุดพ้นยักก็เปิดไปเถอะไปเถอะสู่ความโลนถ้าเปิดมาทําไมเกิดมาเพื่อ ลาบจักรละเพื่อเอาความชอบของมาม่ชอบจากคตรถึงเราไครอบไว้คิดแต่เรื่องเดียวคิดแต่เรื่องเดียวเหมือนครอบครัวฟังดูจีครอบครัวเนี่ยมันคืออะไรฮะเห็นไะหมคือเรื่องครอบครัวมันครอบไว้เช่ไหมขัวก็มีเลยขัวเคยทำขั้วไหยจับกันจับเอาคกบมาทำเอามีดมาจับจับอะไรลนะ่ะจับทุกอย่างจั บ, บวัวจับควาย จับไปสับไปสับผัก ส, ส, ส, สับพืชอะเสือกัอยู่แล้วครัวครัวก็้ามาขวนมีแต่ฟักแต่ฟันกันแต่ข้าแต่ตีแต่ครอบครัวมีแต่ดุตาดาเบชนะเชิญเ น, นินดาีอ่าได้มีเสียเป็นครอบครัวอยู่ในโลกแบบนั้นยักษ์เขาจมมาขังไว้ไปไม่ได้อไปไม่ได้เลยถ้าเกิดมาทําไม่เกิดมาเพื่อความรุ่นนี่อยู่ในครอบในครัวเตะหลุดพ้น ไม่ใช่นี้ไปไหนค้นะอะไรวางใจวางใจใจนี้ต้องวางมีมีให้เป็นยามนแต่ได้ได้ให้เป็นยามจะเป็นเป็นให้ถูกยามจะได้ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกยามจะเป็นเป็นให้ถูกตามวิถียามจะตายตายให้เป็นเห็นสุขดีถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกขสักวันเลยอาจารย์พุท ธ, ธาตได้ไร ได้แล้วก็ดีได้เชื่อได้ผ้าได้เงินได้ท้องได้ข้าวได้ของถ้าให้เป็นวางใจแล้วเอาอันั้นมาอยู่ในหัวใจแล้วย้นจะเป็นเป็นให้ถูกตามวิถีวิถีของเราที่เป็นหรือไงเป็นพระเป็นไม่ชีเป็นซ้ำในเลือดเป็นอุบาสกเป็นบาจิกาเป็นพ่อผลเป็นแม่คนเป็นปัญญาของคนเป็นสามีของคนเป็นเพื่อนของกันแล้วกันเป็นให้ถูกซื่อสัจจริต ผัเดียวเมีเดียวเป็นได้ถูกงั้นบออ๋อเนี่ยเป็นเป็นได้เอาดีถ้าเป็นผัวเป็นเมียกันความรักกันมันดีความรักเมียรักลูกรักเมียเนี่ยมันเป็นความดีมันรักเรามันสู้เสือทุกท่างานก็พอผู้ใหญ่ถ้าว่างรักลูกรักเมียปวดทุกบงจากหลับจะนอนเลยพอทยอยเนี่ยเขาให้อเอาให้เกมอมันอะลรมันรักรักลูกรักเมีย อยู่ไม่ได้นอนไม่ได้เพื่อกลัว อ, อะไรละ่ะกลัวความอดอยากเพื่อความทุกข์ยากของลูกของเต่าสู้เสือทุกเถ่าอายุสี่สิปีสามสิบปีนี่สู้เสือทุกเถ้าอ่าสิบปีอับน้มามอหนาวเจ้าปีเรนืนเช้าเดนมาร่กเบือ <c oughs> ส, สามสิปีได้เมียก้อนไก่อไรแล้วไปพอทะยกง่งออกไปใหเลย <c oughs> ตีร้านเนี่ยก่อนกตสิบปีสีสิบปีไปไฮ ห, หน้าโทษคุยโวยโปวดเอวสบปวดเอว้นอน่ปวดขานอนเอายาบองไว้ก็ห้ า, าสิบปีเต้าคุยโบกงมารอยปัน่นหกสิบปีตีข้องมาดังเจ็ดสิบปีตีตะพึ่งมามวน แปดิปปีงาน่นะเก้าสิบปีใครเขาตายเพราใครกัตายถอยก็ชิปีหแล้อันนี้มันเป็นตามใบของเราถ้าความรักน่ะดีประเทศชาติเจริญนุ่งเรองเพราะความรักให้ไปรักลูกรักเนีย่ยรักปัญญารักทรัพย์สมบัตรริของตนอย่าทอดใจาที่งนะแล้วได้ได้ให้เป็นเป็นให้ถูกตามวิถี เมื่อจะตายตายให้เป็นวางตายทุกวันไม่ใช่ไปเข้าโรงเราไปฝังศพเราจึงเป็นตายทุกวันระวางทุกวันไม่มีอะไรแล้วคำว่าตายคือไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนไว่ตกกระวลจริงนั้นนั่นมันตายไปนิพพานนิพพานไม่ใช่ตายนะนิพพานคือความโรคมันหมดไปแล้วความโรคตายไปแล้วความหลองตายไปแล้ว บุดีตายไปแล้วเล่าตายไปแล้วเที่ยวเตะเล่ล่อนตายไปแล้วเหลืออะไรเหลือความบริสุทธิ์ใจของเราที่แบบฉบับของเราเอาไปทาเอาไปไประกอบไปเข้าแบบเข้าฉบับจะเป็นคนคนเดียวกันในโลกนี้เอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้อ่าพอทธศสธรรมชานเจิน